จะให้พูดในเรื่องอะไรเรื่องแรกฮะเรื่องซีเปิดตาไปถึตัวปัญหาในการศึกษาพุทาศาสนาการพูดเรื่องทุกเป็นคำแรกเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่นั่นท่านมันดูใครกันดูสังเกตดูทั้งทั้งซีทั้งโลกปัญหามันอยู่ตรงที่ที่ปัญหาแหะแล้วปัญหามันก็คือความทุกข์ที่เราคนไม่ได้ถ้าเราคนได้มันก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่ซีมีนทนไม่ได้เราต้อจัดการ ปัญหา <c oughs> ถ้าเราไม่มีความทุก <c oughs> มมทข์ก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องฆ่าคนขวายไม่ทำส่งไรธรรมะหรือศาสนาเหล่านี้เลยที่เดิทางโลกโลก็เหมือนกันถ้าเราไมเกี่ยวกับปัญหาถือความทุกข์ก็ไม่ต้องทาอะไรนี่มันไม่มีจะกินไม่มีจะใช้มันจะ ต, ตายอเป็นต้นมันเป็นปัญหาเราจะต่างกับปัญหาทางโลกโลกให้มีกินมีใช้ที่เราทำมาสูสงขึนไปต่อปัญหาเราคือว่าไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าไม่จมีกินมีใช้หมดทุกข์ไปส่วนหนึ่งแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความทุกข์ ทางผิตใจเนี่ยเปัญหาที่สองปัญหาที่หนึ่งทําังไงจะมีกินมีช้แล้วานี่เไม่คุยกันหรอั้งัดว่าฐานกาศาสนาไม่ต้องคุกันถึงปัญหาว่าจะมีอะไรินมีใชอะไรใช้ไม่ต้องุกพูดถึงปัญหที่สองคมีินมีใช้แล้วยัมีความคุกันในบ้านอีทนี่มันก็ไปถึงเรื่องที่จะดับทุกข์เมื่อไปถึงเรื่องที่ดับทุกข์ก็อยู่ทำมาปฏิบัติต่างๆจนแต่ซีนเกิดไปสมาธิเกิดไปตัญญาที่ไปเนีงบุคคลที่เกี่ยวข้องคือก็พูดก็ทำประสงค์ เดี๋ยนี้เรามักจะพูดเรื่องพุทธการผสมเป็นเรื่องแรกจริงๆพูดเรื่องที่สมาธิปัญญากรอนะก็มันดับทุกโดยตรงพูดเรื่องทุกแล้วพูดเรื่องสิ่งที่ดับทุกแล้วก็พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนี่คืคนจะรู้ว่าเดียวนี้เรามันทเป็นพิดีเป็นโรเณีเป็นพีธีสิ่งแรกสิงแรกที่จะพูดถึงก็พูดจะทประสงค์แต่ถ้าเป็นการพุทธการนะเราไม่ไม่ได้มีโอกาสพูดเรื่องการผสก่อนเรื่อลยนะถ้าจะพูดมีปัญหามาฮะมีปัญหามา พระพุทธเจ้าจะถามปัญหาจะชีตจงที่แจ้งปัญหาต่างๆกันพอใจใ้เข้าใจถืถึงพอใจแล้วคนนั้นจึงประกาศมาว่าขอนักถือพระพุทธ็ทําประสงค์มาทิศหลังนี่จะบังเอิญนคนบางคนก็ฟังธรรมะพอใจที่สุดเป็นประธานจะทีตรงนั้นคนนี้ก็เลยไม่พูดถึงพรุทธเจ้าทำประสงค์เป็นพระปะธานที่นั่งทีไม่ได้พูดถึงพระพทธาประสงคที่ไม่ได้ไม่ฟังคำนี้เช่นเดียวกันในตอนเดียวกัหลังมันจะคำที่นี่ที่พระพุทธเจ้า ท่านพันธุ์ยืนันเองก็ว่าเราพูดแต่เรียนทุกข์เป็นระดับทุกข์แต่ควานก็ดีเรื่องนี้ก็ดีี่กาลังจะพูดต่อไปก็ดีเราพูดแต่เรียนทุกข์จากความดับไม่อยู่แล้วแห่งทุกข์นั่นจึงเราพูดเรื่องทุกข์การเห็นรณาได้เมื่มีความทุกข์เราพดเร่งดับทุกข์การดับทุกข์ได้มื่นก็หมดเรื่อง้เดี๋ยวส่วนพระพุทธเจ้าหรือระธรหรือพระสงค์นี้เป็นที่ทุกข์กันว่าพะุทธ้าสุอนเรื่องดับทุกข์พระป็นางสอนเรื่องดับทุกข์ะสงฆ์ป็นผู้ปฏิบั เป็นเรื่องทีประกราศที่หลังเขาหน้าตือพระพุะทธเจ้าพระสงฆ์แต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทีนี่จะมาดูธรรมทีว่าที่มันจะดับทุกข์นะคำว่าดับทุกข์ก็แจกไวเ้เป็นสีนสมาธิปัญญาแต่คํานี้ไม่ไม่เคยเกยสงใจไม่เคยเกดเกินชาติเพราะถ้าว่าอะไจะเป็นเรื่องดับทุกข์เรื่องคำแรกของจักก็คืออ ท, งทางธีรกรรมดับทุกข์ มักมีงแปดมีสีนรวมอยู่ในด้วยอยู่ในนั้นด้วยส่วนหนึ่งดับทุ ก, กททขกกก์แล้วท้าไม่ตัดว่าทั้งีกมักก็มีตัดโดยคมอินใะกันสมถะและวมีปัจฉนาจิเ ป, เป็นดับทุกข์ได้เอ่ยเลยเพราะสีมันรวมอยู่ในคำว่าสมถานี่นสมถคือการสงบใจมีปัจฉนาคือการทำแจ้งความจิตที่มันสงบแล้วถ้าพูดอย่างนี้ใถือว่าสีนรวมอยู่ในสมะถะถาพูดเป็ดบทั้งปีกมักก็ให้ว่าสีนรวมอยู่ในองมักสามองค์ในแปดองค์ นี่พอให้เป็นที่ยี่สว่นเรื่องที่จะต้องพูดประเป็นแรกเป็นคแรกนั่นคือเรื่องทุกเรื่องความทุกแล้วจึงพูดเรื่องความนับทุกที่นี่ไอความทุกนันมันแยกออกมาเป็นสองตอนเัืเหตุให้เกิดทุกตอนนี้มันพูยถึงความทุกจนคุยถึงเหตุให้เกิดทุกทีนี่เคุดถึงไอความหนับไม่เลือกแห่งทุกก็พูดก็พูดถึงเหตุอย่งเหตุเตุที่ทำให้เกิดความหนับไม่เลือกแห่งทุกคืออันจะมาเป็นแปด ความดับทุกข์คือความที่ไม่ม uh ีทุกข์เรียกว่าทุกขนิโรธเหตุให้เกิดทุกข์กว่าทุกขะสมุไท่ถาพูดถึงเาดับทุกข์ต้องรวมเรื่องเหตุที่ทำให้ดับทุกข์ได้คืออัันที่กรรมได้วยถ้าพูดถึงความทุกข์ก็พูดถึงเหตุที่ทให้เกิดทุกข์ไปด้วยคือทีเลตังหาทั้งหลายเกิก็คือทีเลตัหาทังหลายบางคนไปท้าบพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยก็จะมีปัญหาเรื่องคามทุกข์ทั้งนันจึงไปหา นี่โดยทั่วไปโปกติคนทั่วไปชาวบ้านเงินทัหลายไ้ทราบว่ะเจ้าไปหาเราเามีปัญหาอ่ามีคือความทุกข์มันจะดับอย่างไรที่ชั้นนอกั้นก็อีกมันไม่ใช่พวกี่มีปัญหาแต่มันพวกที่ไปท่าทายไปรองคุ้มคือพวกกติปักใครจะมีกไปหาพระเจ้าอจะลองคุมเพื่อจะทาทายซึ่งเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่คนที่ไปข้าพระเจ้าก็คือ็นแตามคนนับทุกของตนโดยเฉพาะเพราะว่าการทุกข์มันี้หลายอยู่แบบตั้งแต่ละคนแต่ละคนทำไมไปจำเงินทำไปจาามโดยตรงนี่เป็นความทุก ทำแบบของเขาไ่เจรับทุกได้อย่างไรนี่เรียวกว่าที่นีู่่ไปหาไปเฝ้าไปหาท้าทีพระอ ง, องค์ไปหาเองเชนทอมเทียร์ไปขัรถสัตว์ไปหาเองมันก็จะมีการกันธนาปราศัยให้รู้จักท่านเคยกันแลกวก็พูดถึงสิ่งจีมีประโยชน์ในทีาากก่มันไปหาเรียับทุกอย่างเมันจับเงินเขาเงินเงิตนตรหนักได้จนได้เรีน ไ, ไปหาเรียนความาทุกข์เยาับทุกจริงๆคือเปหลั ก, กว่าพูดเรีนท่กขกับเงินับทุกเรื่องไม่พูด นี่เป็นข้อความเบื้องต้นเพื่อที่จะกำหนดกันวารีที่หนึ่งก่อนใน <c oughs> ที่นี้ก็เราพูดถึงไอ้ความทุกข์โดยโดยสรุปความโดยสรุความทั้งหมดของพุ <c oughs> ทธศาสนานี่ตัดไว้เป็นหลักสำคัญที่สูดความทุกข์เลยมาจากการคิดมั่นถือมันด้วยอุปาทานอาี่าจําคำนี้ไดีสําคัญกว่าที่จะพูดว่าความทุกข์มาจากปัญหา <c oughs> ในเรื่องอริสัจเชื่อ ว, ว่าทางไรจะเคยไดยิในในฟังมาแล้ว เราจะพูดว่าัหาเป็นเหตุหเกิดทุกข์แต่ความหมายที่ต้องรู้คือความรว้ความส่วนทั้งหมดว่าได้ก็จะพูดว่าอุปาทานเพราะวัญหาที่ให้เกิดทุกข์ไม่ได้ทานให้เกิดอุปาทานปัหาทให้เกิดอุปาทานที่ต่อที่ต่อนที่สุดกับความทุกข์ก็คืออุปาทานในเืองลสัตต์สี่ก็ว่าัหาเป็นเหตุหเกิดทุกข์แต่็รู้โดยว่าการจะเกิดทุกข์ได้ต้องผ่านไปทางอุปาทานัหาเป็นเใเกิดอุปาทานอุปาทานได้เกิดทุกข์กัรชิต ตที่ไกที่สุดคอทุกขเกิดมาจากอุปาทานซึ่งมาจากปัญหาถ้าวาัหามาจากอะไรนี่งุนต้นแนท้ของมันก็มาจากนาิชาเพราะมีวาิชาที่มีตัณหาได้การต่อรองทุกข์มาจากนวิชาก็ทุกเหมือนกันแต่มันทูกไกลถ้าตทุกข์เกิดมาจากอุปาทาในใกล้ที่สุดจะต่อเลยถ้าพูดเร่องบรรากาัญหามันยังทิ้เรื่องเล็กๆอย่ของอุปาทานบทสวดมนต์พระธรรมาคะ น, น่เปานหลักเป็นหลักที่อยูนดั้งเดิมก็คุณจะศึกษามัเป็นหลักแต่พูดกันใ้มีหลักไปก็ถึงหลัก ว่าสริเตนะการจุปกากัญชาทุกขาโดยสรุปยอแล้วเป็นจักันมีวารเป็นทุกทุกมันเป็นประโยครละประโยชนโดยโดยคนละความมมาจากว่างเป็นทุกการแข็งเป็นทุกการตายเป็นทุกตามโกตเทว่าทุกขารมนะระยะไม่อย่างนั้เป็นทุกทัพยากของรัเป็นทุกอกับต้นไม้รัเป็นทุกนสิ่งได้และไม่ได้สึ่งนั้น่นเป็นทุกอย่างนีเป็ยอะไปทั้งสิกว่ายางนั่นเป็นคละความเพนะ นั่วสังเสินนั่นคอการานคุณทานขาโดยสุดสั้นเจะที่สุดได้ก่อนเป็นจ้านันที่มีอุบารทานเป็นทุกข์มันจะขันที่ส่นปรอของชีวิตของเราเนื่อนห้าควจะตาใจอาจจะคิดรายไปาสนาตามตาใจเรื่ันหาดังแจ้งแจ้เ้นที่สุดจะจะสะดวกเพราาเรื่อมไปรวมทนัทั้งหมดยึดถือที่นันเลยก็เป็นทุกข์รอยร้าวที่นั่นเลย็ดับทุกข์ที่วาคงเกิดเป็นทุกข์ครั้งแก่เป็นทุกข์นั่นก็เพราะยึดถือนะไม่ตัวตัวบาลีไม่มีไม่มีไม่มีค ถ้าไม่ยถือว่าความเกิดของฉันควเกิดไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่รือความแก่ของฉันความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดถือความตายของฉันก็ไม่เป็นทุกข์ตัวการเสียว่าทุกข์การกระทที่ไม่ยึดถือเรื่ของกันมันไม่เป็นทุกข์ตัวแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์กันมาแล้วไปยึดถือเอามาเป็นของฉันถ้าร่างเป็นยังมีอาการแก่เจ็บตายอย่างนี้เอมันไปเป็นทุกข์เราไมายึดถือว่าของฉันส่วนคนทั่วไปไม่ได้ยึดถือว่าของฉันเราคุณตัวใครเป็นหลักก็ ฉันก็ไม่จำเป็นทุกมันเป็นของธรรมใช่ในนี้เป็ น, นไปยึดออกมาเป็นของฉันมันก็เป็นทุกฉันก้นงมาพูดให้ชัดจ ง, ง, งก็โดยตัวอุปาทานเป็นเหตเป็นผลก็เข้าใจคำว่าอุปาทานให้ดีที่สุดโยคำหนึ่งมันคืออะไรนาร้าสงสารทียวคือตัวเราตลอเวลาอุาทานคืตัวเราเวลาแต่เราไม่รู้จักไได้อพูดคมมีอุปาานอยู่ตลอดเวลานัน่นก็เป็นทุกข์ราะอุปานเดี๋ยวนั้นนี้มาเป็ น, อ น, ปนของตนหรือเป็นตัวตน มันจะรู้จกความคาถาอย่างไรเป็นคาถานอย่างไรไม่เป็นคาถาต้องไปเรื่องเล็กๆเรื่องดำๆเรื่องง่ายๆพอเงินหายอางเงียพอเินหายจะ เ, เป็นทุกข์ไมเป็นทุกข์พ<อ>มันมีคา า, <อ>างเงินของฉันถ้างเงินขคนอื่นทีรทไเราแตฉันก็เป็นทุกข์<อ>แล้วฉันทำใบาทเดียวตอนั้นเป็นทุกข์คเพราะมันมีคามคาถาเงินของฉันนี่เห็นแต่ว่าควาป็นป่ามคาถเนในธรรมาคะมันนชีวิตประจำวัของทุกคนถ้าาเจรินี้จะดีมากเรื่องจิตเป็นความทุถากจะดีมาก ตาหูสมูกลินาใจมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเนืองด้วแต่สร้างอุป่าทานนั่นนั่ะนั้นเราจงรู้จักในสิ่งที่มันมีอยู่กตนเนื้อแต่ตัวจนตลอดเวลากัน ไ, ได้แล้วเดี๋ยวทำามารดีนรับพี่จกกังวลความห่วงใ ย, ยอะไร่านเขมีก็มีปาทานเป็นห่วงใครเลยเขาเรียกปาทานก็เป็นห่วงใครไม่เป็นทุกข์เป็นห่วงนั่นน่าที่จะมีข่าวของอะไรไม่ยาย ใ, ใครมันกลับต้อง แต่ใครจะจับมาจับต้องไม่สบายใจนี่มันก็คืออปกาทานว่าไอ้กองนั้นมันของฉันเป็นีิรัยิงของฉันมันน้อยอย่างพัน อ, อนย่างมันจะรอวันรขึ้นลทีมนุษย์ีอย่ภาทานบางน้อยบางใหญ่บางเล็กบางกุกทีทุกครั้งทุกเรื่องเป็นทุกคือหนักใจถ้าเป็นทุกในความหมายอย่างนี้คือมั น, ม น, น, อนหนักอกหนักใจะมาณใจที่เรื่งต่อต่อหน้าต่อมีเยอะแยะเรื่องลับหลังยังมีอีกเรื่องที่อยู่ที่อื่นเรื่องับหลังยังมีอีกสัมมาทิฏฐิจะมีนทกขามมีอุปการ แล้ก็ให้เรียนธรรมะเรียนพุทธศาสนาจากเรื่องของตัวเรื่อในตัวเราไปพูดถึงใคว่าิงเรียนดอิงมารู้พุทธศาสนาคุณคือคิดธรรมดาแต่นี้เราต้องยิ่งเรียนันิงเรียนป็นดอก่ารู้พุทธศาสนามันภาษามันรรณดีเรียนในเรื่องบันทึกซึ่งนเันทกถ้าจะรู้นะตองเรียนที่ตัวเองตเรียนที่ตัวเองเรียทุกสิ่งที่มันมีอยู่ที่ตัวเองดูธรรที่มันจะทำให้เกิดในความยึดคือความคิดนึกในจิตใจนะความคิดอย่างไรแล้วเป็นทุกขเรียนที่นั่นแหละเรามีอะไร ไปเรียนพระไตรปิฎมันไปเรียนบรรทึกเก่าๆทีไม่ได้ของตนไม่อาจจะน่ออกมาเป็นของตนมันไปยังไม่รู้พุทธศาสนาแต่มันเรียนมรรการดีมากเรื่อจะเรียนอื่นอีกมากแต่มันยังไม่เป็นตัวพุทธศนาเพราะว่าไม่ได้เรียนที่ตัวความทุกข์เร่องจะจำไปเร็วนี้ถ้าไม่เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์ก็ไม่มีวันจะรู้พุทธศาสนาพอเรียนเรียนไปพูดไปตามประสงค์ก็ไม่รู้พุทธศาสนาถ้าไม่เรียนลงไปที่ตัวความทุกข์นี่เรืนองท่านห้าหรือเ่องเรื่องตัวเองจะทำขั้นใจชัดเจนยิ่กว่าอะไร ในร่างกายที่ทำหน้าที่ของร่างกายได้นี่เรียกว่ารูปไมเรียว่ารูปรูปคันรูปคันคันคือรูปรือส่วนรูปทีนี้ไอความรูรสร้สึกสุข ท, ท, ทุกข์ในในทุกมั่ทุกข์คือรู้สึกนั่นแหละตัวนั้นเลยว่าโรู้สึกในเรกาเวทนากันเวทนาคันคือส่วนที่เป็นเวทนาแล้ที่ให้ความหมายตรงขันนั้นหมายอะไรว่าอย่างไรเกี่ยวสิ่งเรานะกี่ยัเวทนาก็ได้ว่าเป็นสุขว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นดีว่าเป็นไม่ดีว่าตามว่าตรงเอกตามในเรียกว่ า, ว า, วาสัญญา มันีญญามันหมายอะไรนีคมีความหมายเกิดแล้วมันก็เกิดความคิดเกี่ับเรื่องน้นที่เดินไปนความคิดว่าอย่างไรนี่ความคิดทั้งหมดนี่เรียกว่าสังขารระคันส่วนความรู้สึกที่รู้สึกทางตาผู้ต่มการจดสิ่งภายนอกเป็นตาเ็นรูปความเจ็บัน่วิญญาณรมันจะขันเป็นเรื่องสาคัญที่สุดที่จะเป็นหลักฐานของการศึกษาพุทธศาสนาเรื่องทุกเรื่องเด็ดให้เกิดทุกเรื่องต่างๆขันห้าส่วนทั้งห้าที่มันมีประกอบอยู่ในคนแต่ละคน คนละทีไม icism, ่จเะดาวเดียวมอนทั้งห้าท <ís> ี่นี่จะพูดให้รู้จักขันทั้งห้าดีขึ้นจอฟังให้ดีๆมันมีความสาคัญที่จะต้องรู้จักขันทั้งห้าทเรามีตาหูแมูกนกายใจอยู่ที่ที่่ข้างในตัวในตัวีมตาแล้วสำหรเห็นรูปมีูสหรับฟังเสยงมีแก้มูสำหรับดมกลินมีลิ้นสำหรับรู้รสมีจมูกสำนรับรู้สมบัตินั้นมีตหรู้สิเ้ยกิดขึ้นกระจายนี่ก็มีหกั้าัในมีอยู่ ข้างนอกก็ครูปเสียงกลิ่นรสสุขภาพอารมณ์ที่ใจมันจับคู่กับหกข้างในอยู่ข้างนอกกับหข้างในกับกทเป็นคู่กันอันนั้นเรียกว่าอายุรณายนอกข้างในมีหกเป็นอายุระาภายในอายตนะรณาแล้วว่าสิ่งสําหรับทําความติดต่อหรือคนติดต่อที่ในกรณีแรกเขาคู่แรกเลยมีตาอยู่แล้วแล้วก็รูปข้างนอกที่ตาจะเห็นก็นมีอยู่แล้วเฉพาะตากับรูปถึงกันเข้า ตารู้ถึงกันเข้าก็จะเกิดความรู้แจ้งทางตาหือวิญญาณทางตาพตารูปถึงกันข้าเกิดวิญญาณทางตานี่เกิดเกิดกี่ขั้นแล้วรู้ไหมเพียงครั้งี่เกิดกี่ขั้นแล้วเกิดสองขั้นแล้วเป็นรูปขั้นรูปขั้นก็คือรูปตาอที่เป็นภายในแล้วกรูปก็รทำที่เป็นภายนอกแล้วทางร่างกายระบบประสาททางราการทั้งหมดทางร่างกายจะทำหน้าที่คือการเห็นนี่อันนี้มันเป็ําแปลกเป็นความแปลกของ ก็ทธรมะอหลักธรรมะเทตาเกิดเาในี่มัตาเพิ่เกิดเพื่อเห็นรูปมืมไม่มีรูประตาถ้าตาหลับอยู่สลบที่ยังมีความหมาย้ตาเกิดเมื่อตากระทบรูปตาเกิดรูปข้างในคือตารูปข้างนอกคือใรูปที่มากระทบตาเยอยมีทั้งรูปข้างในและรูปข้างนอกเกิดคือทบกันทั้งหมดเกิดในอทำหน้าที่นี่เดียวจะไม่กระจายวาคาตาธรรมะน่พูดอะไรบ้าบาๆตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดนี่ก็ฟังไม่ถูกคือตาตาาคมไม้ธรรมดาเพราะคนธรรมดาเกิดก็จะถือว่าตาหู แต่ทางตาทางการามะยังไม่รู้วเกิดจงกวามันจะทำหน้าที่พมันทาหน้าที่เนี่ตาทำหน้าที่้ตาเกิดหูทาหน้าที่แล้หูเกิดจูทหน้าที่แล้จมูเกิดเครืขื้นมื่อทหน้าที่นี่คือตาที่นั่นคืรูปคือทำหน้าที่แล้วตาเกิดรูป้างในก็เกิดรูปข้างนอกก็เกิดแล้วก็เกิดจักเสวิญญาณวิญญาณทางตาเกิดสองขันเลยไหมรูปประคันเกิดแล้วแล้วก็วิญญาณขันก็เกิดใช่ไหมนับนอีกอย่างตาอีกอย่างหนึ่งรูปที่มันกระตึ้นตาอีกอย สาอย่างนี่กำลังทำงานร่วมกันอยู่ตาเห็นรูปโดยกสุวิญญาณสามสามอย่างนั้นทั้งนั้นรวมกันตาเป็นผู้ดูเห็นโดยกสุวิญญาณแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นรูปภายนอกั้งสาอย่างนี้มันเนื่อนกันอยู่นั่นใน่เราพัสละเรัสละาสารนี่จะไม่ดีเป็นต้นเตะแต่งสิ่งั้วงาัสะทีนี้พอตาเห็นรูปโดยส yes สกสุวิญญาณเป็นภาษาแะจักดเวทนาคือถูกใจหรือไม่ถูกใจสวยหรือไม่สวืคือสบายแกตาหรือไม่สบายแกตาเนี่ยนี่คือเวทนาความคิดนี่เรียกว่าเวทนาเป็นเวทนา ยืนยันการเกิดแล้วมัคว็ตกองพิจต่อไปสำคัญมันไม้เนี่ยสำัมันไม้ในเวทนานี่ยที่สำคัญมันไม้ว่าสูตาทุกข์ว่ดีว่าเลวว่าสูงว่าต่รืว่าในความไมาทุกอย่างว่าของผู้หญิงว่าของผู้ชายนี่คือสัญญาให้ความหมายแก่เวทนานั่ยนะก่อนที่ที่ที่แน่นอนที่สุดมัมีเวทนาแล้วมันจะเกิดสัญญาให้ความหมาสสำคัญมันไมายก่เวทนานั่ยนี่เริ่เกิดสัญญาขันสัญญากันเกิดที่ี่มาสัญญาันเกิดให้ความหมายให้คุณค่าอะไรต่างๆแต่จริงถนั้นแล้วมันก็มีความคิดมีความคิด All, yea. ว่าจะทำอะไรกี comic, <alles S 2> ่ปัะสิทนั่นน่ะถ้าถูกใจก็คิดจะเอาคิดเจีิดคล้คิดจะหาอีกไม่ถูกใจก็คิดจะีดคิดจะทำลายคิดจะฆ่าเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวเว้เป็นความคิดอันนี้เลยว่าสังขารละขันครบแรงไหดูขันเกิดสิลกับวิญญาณขันเกิดไวิญญาณขันเกิดแล้วที่นี้เว็นาคารสัญญาขันาคารเกิดก็ฆมันก็หนีก็นีหนึ่งหนงข้างใกัมลัษณนี้จะมีครบ่องาอย่างนี้ศึกษาเตาลำดับก็กนี้็นแล้วก็ภาษาที่แปลเป็นภาษาภาษาอังกฤษมันก็มีแล้วมันก็ช่วยให้เขใจได้เพน เือตาอันนี้กือตาแกือาอันี่เน่ยูปข้างนอกก็เรียกว่าฟอร์มฟอร์มเป็นไซตเกือตาเฟอร์มถึงการเข้าไปเกิดคอนชัตคอนชัตเนสทางตาเนี่ยเป็นวิญญาแล้วมันภาษาสามารนนี้ขึ้นอยู่ในภาษาคอนแทคทางธรรมนาระบบอะไรคอนแทคที่นเข้าเข้ากครูันะแล้วภาษามีเวทนาดูสการในตัวการเกาฟีลิ่งแล้วมันมีฟีลิ่งอยู่ในธรรมนก็นจะมีเออร์เซปชั่นต่อฟีลิ่งนั่น perception นั่นเป็นทีแรกมันคือ conception คือสังขารความคิดนี่ถ้าเรามีความรู้เรื่องคำเหลานีอยู่ก่อนแล้วก็เอาไปรับกันเข้าให้ได้ก็จะไปใช้ยได้มากขึ้นควา feeling หรือ sensation คืออะไร perception คืออะไร conception คืออะไร consciousness คืออะไร contact คืออะไรตาคืออะไรรูปที่คูกับตาคืออะไรยกตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปทีนี้คู่ตาไปกเหมือนกันเลยตาคับู่แรกตาคับรูปใจขัดใจอย่างนี้เราคู่ต่อไปคูกับเสียงเหมือนกันูกเียขึ้นเข้าเกิดวญาณทางหู สังขารนี่ท้งมานกิดด้วยเหตว่างสิ่งองมาด้วยวิน่าสังหูวิธนาิที่จเกิดสังขารังหูก็มีสัญญาในเเสียงที่กขามาสังหูล้วก็มีความคิดหรือสังขารต่อไปเกี่ยวกับเสียงที่เข้ามาทางหูที่จริงที่เามางจูก็ยังได้อีกเือดเลยกนก็ทั้หกเกินก็ทั้งจำะไเอรูปมันยงไม่เป็นหลักสาหรับเรรูไม่ทั้งหกเลยนี่จะความสาคัญขรงนันก็คือว่ามันมีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องอ มันจะลิดตมันพื้มันให้ตาว่เป็นตนของตนันนเราะตาเป็นเป็นสิ่งที่เห็นเนี่ยคนโง่ถ้าตาเป็นตัวกูเห็นรูปข้างนอกเป็นของกูเกิดจากสุริยานการเล่นทางารพื้นนเป็นสิ่งจริงหนึ่งทจง่ายที่สุดว่าว่าตัวกูคือตัวเห็นทางตาตัวกูได้ยินทางหูตัวกูได้ดมทางจมูกมันมันมันมคลึกขไดง่ายมันนตัวตนนี้ำสอเก่าๆจะเ็นาไปเอามาติจากคำีของฝ่ายอื่นเรามีจิตมีตัวตนออกมาทางานทางกายทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วกลับ มันไม่ได้มีตัวตนการเข้าการออกที่นั้นว่ที่เือ้าอยตัวตนตันี้มันยะสกเ็กมันก็รู้นี่าเห็นรูปางตาวาเห็นรูปางตาอวิญญาณเป็นตัวตนกันได้จิตที่นานีรู้สึกเวทนารู้สึกเวทนาตถุกสทุก่งทุกสิ่งก่กส่ทส่ง่ง่กก่กสิกสิ เป็นคันทั้งหแต่และคันแต่ละคันมีโอกาสทีจ่จิตวิทือว่าเป็นตัวตนในคามหมายแรกหรือว่าของตนในคามหมายที่สงชนตาที่วิทยือเป็นตังตนคือู้เอย่างนี้ก็ได้แล้วเตรูปว่าของตนแต่คำพิสูจน์มันเลยไปอื่นเอาใจเป็นตัวตนเอาตาเป็นของใจอัตาเป็นของตนสิ่งเรียกจิตวิทย์ผือว่าเป็นตัวตนก็ได้ว่าเป็นของตนก็ได้เห็นเวตนานี่ยเอาคำพิสูจนเวทนาเป็นตัวตนเต็มไปคำพิสนว่ามันมีตัวตน อ, อ, อีกอันหน่งแล้วก็มีเวทนาเป็นของตนเวทนาจิตทย์ผือว่าเปน ถ้าตัวตนชีวิตชีวิตจบเป็นตนเอาชีวิตเป็นของตนชีวิตกบเป็นของตนแล้วแต่ความโง่มันจะปจับเวยกี่ไหนที่แรกมันก็ก็ตนก่อนถ้ามันมีตนแล้วมันก็้มของตนนี่มันเป็นในเป็นหน้านิัของธรรมชาติไม่ใช่ของทุตันวิเศษวิโสเป็นเจตตู้เป็นวิญญาเป็นไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นหล้กากนตามธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาตินี่รู้เรื่องันห้าวอย่างไรแล้วมีตามมีตัวตัวตนตัวตนอย่างไรน่นแะเพืรู้หัวใจของการทีสุดของศาสนา มันมีเวทนาแลมีสัญญาไ้มีสังขารนะตอสังขารเกิดความคิดทุกอย่างทุกประพัมันเป็นตมำต่ำเป็นต่ำไปมันเป็นอยากเป็นเกิดความัยากที่นี่ในความคิดที่เป็นความอยากสังขารเป็นความอยากก็เกิดขึ้นเช่น้นุขเวทนาฮะมันก็ต้องํามันหมายมานานมีค่าเลยมีมีสัญญามีเพลิดเพลนมีค่านีอะสขเวทนามีค่าแล้วก็มีความเพลิดเพีครูอาเอาูจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นอยากเเกิดตัณหาเป็ความอยากที่เป็นสังขารเป็นความอยากอยากจะได้ คอยากสุดเรยอยากเป็นที่รมันก็ปุุงขึ้นมาอีกเป็นความคิดต้มีคู้กู้อยากใน่เกิดตัวตนนตอนตัวตนน้เป็นสิ่งเปี่วกว้างแต่มันเกิดในความรู้สึกมันก็มันก็มีอยู่จกันปีกันตัวตนนตาเป็นอย่างันไม่มีกัวจริงแต่ตามความอยากมันปรุงขึ้นมามันมีตัวตนยิ่งกว่าดินต้องให้เป็นทเป็นร้อนนี่บางคต้องฆ่าตัวตายเพื่อความดีของตนเพราะมันไม่รู้เรื่องี้เลยปัคือความยากอยู่ในตัวสังขากันแล้วมันเกิดต่อไปสังขารละกันเกิดต่อไปเป็นอูปาราน เป็นส า, ารสังขเป็นพเป็นัขารันน <c oughs> ี่ตัวชาติไอ้าที่ว่าตัวกู้ามูัฟ้าตา่ะถึงที่สุดมันเป็นชาติมาเป็นความหมายีตัวที่ว่าจะทาให้ให้มีเรื่องทุกข์สมบูรณ์เวลยเาแก่มีชาติอ่ะจึงมีชราเขมีชราเขาเขมีชาติจึงมีชรามันน่าสกัดเสว่าสกัดชมน่าสุดข้ายตลอดสายลงทีเป็นามทกามีชาตาิชาติตัวกู้่ะซึ่งรื่องหลอกเรื่องถึงไม่ใช่ตัวจริงแต่มันจริงเป็นที่ตามความหมายของธรชาตนตัวตนมีแล้วอะไรเราทมาเป็นของตน คนหนั ก, กิตใ จ, จมีปวามตนุนความหลักคือความทุกข์คราวนี้ จ, จบเพราษษษษะใจเราพุทธศาสนาเรื่องการทุกข์ทีนี้เราจะทำอย่างไรให้มันเป็นอย่างนั้นคือ ท, ทำให้เกิดการฉลาดที่สติมีปัญญาเมื่อมีอะไรมากระทบตาที่ก็มีสติปัญญาในรูปมีอะไรมากระทบาตาไม่ได้เกิดโดยธรรมาตจะเกิดสัญญาเกิดสังการตามธรรมชาติทา น, นเองมันจะมีผ่ามีอะไรพิเศษที่ตรงไหนก็เห็นในรูปเมื่อตากไว้รูป เวาตัดไปว่า uh. มี city, the city, the city, the city, the ันไม่ใช่ต MM ัวตนในทางการท่ไม่นมีวิทาไม่มีทุกเลยนี่ถ้าวอาวิชาหรืสติหรือปัญญามาทําเวลาที่จะศึกษาอะไรางที่เปลี่ยนทางเดินเป็นทางที่ไม่มีตัวตนถ้าสติปัญญาวิชาไม่มาในการอ่านขาล้ทางี่ตามธรรมชาติของคุณคุณโง่คุณทำดาคุณนิยมชามันจะคิดไปตางมีตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์าะฉะนั้นวิชาให้มากฝึกฝนให้มากในการที่มีสติมีปัญญามากพอสำหรับจะได้เกิดขึ้นทนเวลาเมื่อมีปัสสาวะ มีปัสสาถึงไม่เดินทางไปแรก <c oughs> <c oughs> แต่ชาวเรฝึก ส, สติฝึกปัญญาไว้ยางดีที่สุตมาทันมาทันตั้งแต่รมาควคุมปัาวะไม่หลงไม่หลงในเวทนาไม่หลงในปัญญาไม่หลงในสังขารมมีมีปัญญาเกิดขึ้นน่การที่ทาวิจัรณนามธรรมฐานนั่นก็เพื่อฝึกให้มีสติปัญญามากพอเร็วพอมนการทงานแทรกแซงตอนที่มีปัสสาวะมีสติมีปัญญาแทกแซงท่านในขณะที่เป็นปัจาแล้วก็รับตัวไม่ต้องมีความทุกข์ มีรู้เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรการแจ่มแจ้งทําไมแจ่มแจ้งทุกคนจะแจ่มแจ้งเราจะป้องกันมันอย่างไรสุาท่าน่าเรามีาหุใจอยู่แล้วก็มีรูปสงสิ่งทอมลงพัาพการพักระทบเิดวิญญาณทำหน้าที่อยู่เรว่างัสสาพัสสานั่นแหละเป็นจุดหุดเป็นจุดูตาจะมุรอบดวมันไปทางดีทางชั่ทางสุดทุกข์ก็จุดปันอยู่ที่ัสสามันจึงต้องในพัสสาไม่จะติดมีปัญญามาควบคุมให้เป็นวิชาสัม อยาให้เป็นอภิชาสัมผัสกับสัมผัสโดยอวิชาจิตนารมดยอิชาจิตอิชาสัมผัมันก็เดินไปตามอุปาทานเป็นทุกข์มันมีวิชาข้มาจิตารมสัมผัสอารมณ์ิชามันก็ไม่มีไม่มีทางที่เกิดัหาหรืออุปาทานก็มเป็นทุกข์ไม่จะเกิดเวทนาว่าสุขหรือทุกข์้มันก็เกิดขึ้นจะให้รว้ว่ทําอย่างไรควจะทาอย่างไรไม่ใช่ทาอย่างไรนหน้าที่การงานที่อยู่ในโลกในสังคมเกี่ยวข้อมกับเรื่องนี้ก็จะทาอย่างไรเห็นมันก็ทําถูกหมดทำรักกุฏิราสนาที่วัดศาสนาเ มุนไปทไางไหนจะมุนไปทางทุกือจะมุนไปในทางทุกขาจะทำกรรมหรือว่าทำอะไ ร, ะไรก็ถูกหรกืิดเมื่อพรรษาปฏิวัติการดูแตเลยว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสต ร, ร, ร์ไม่มีลักษณะเป็นปรัชญาลักะนการคานวณแม่ไ น, นิดหนึ่งในทางปรัชญาแลไม่ใช่ปธธ ร, รษษัชาศสนาไม่ใช่ปันาัก็จะเป็นปธธ ร, ร, รัชนาเป็นเรื่อ จ, จริงๆโดยจกโดยไม่ต้องใช้การคานวณนั่นเลยจึงยกปรัชนาว่าเป็นวิทยาศาสตร์มีหลักการอย่างวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่อย่างรชญาถึงทนวณไตงสมมติฐานไีจริงรัสมมติอะไรขึ้นมาแล้วคำนวณ น, นั่นลนะเป็นปราชญาโโนะรชญานรถสุขกราชญาที่ถูกต้องก็ไม่ใช่อย่างนั้ น, นอกาครับนี่้ดีกว่านี้มั น, น, น, นไม่จะเป็นีมันใเราทาเนขีมาเป็นปราชญารชญาเป็นีมัปัญหาราค า, าสาันึการพยากันในหมู่คนไทแต่ลบาก่ไพูดกัอกมองเห็นอย่างข้นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในลักษณะวิทยาศาสตร์กับการใช้ลมใจตรงตรงโดนในฝาวับการคำนวณใดๆนะจึงจะ แต่ว่าชาวพุทธศานาไปเรียนใเ น, ยนเปปรัชญากท้เหมือนกันแต่ ม, มระยชนะไม่ดับทุกข์ไปทำสมมติฐานก็ไม่ได้จริงปนตัณโก้รอถ้าจรไม่นันเป็นปวนการคำนวณโดยคนวณและกที่สมมติฐานไปดับทุกข์ไม่ได้นะคไปทาเป็นปรัชญาแล้วดับทุกข์ไม่ได้ใเป็นศาสนาหรือเป็นวิทยาศาสตร์ทำโดยคองมจริงลงไปบนความจริงเลกิไใจัดการอะไรกันลงไปจริงๆริเรื่องควาว่ามันมีทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตเพราะขาดสติปัญญาในกายนิพา เราจึงต้อง ท, ทีนีทีไม่ให้ขาดสติอปัญญาในขณะนักัศเราจะต้องฝึกให้มีสติ้เร็วมีปัญญาให้อให้สติก็นปัญญามาทาเวลาีมีกัก์ควบคุมกระแสะ ก, ก่อนี่เป็นไปแต่นในทางที่ถูกต้องในเกิดทุกข์เกิดนาาราเกิด ท, ทุกข์เป็นวิชารูาอรอร้อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรคุณทตมันก็ไม่งเกิดทุกข์นี่คือขอ้อที่ว่าโฆษณาสอนอะไรสอนระักทุกข์สอนดับทุกข์อย่างไรเพื่อนีสติปัญญาทำในเวลากัก ควบคุมพฤติของจิตไปในทางที่ถูกต้องไม่ง้ไม่ลงไปเป็นปวายทานเนตัวตนเลยไม่ถุกที่มใจขาทํ้งการอยู่ท่านี่ไปศึกษาพุกทวนด้วยดีที่สุดเห็นชัดเห็นชัดมัอนใสของเป็นใ่ของวามทุนมใส่มือขามือดูเราจะดูธรรมะเพียงคอบทรับทบุกได้ดูธรรมะเพียงอทีรับทุกได้การควบคุมพฤติของจิตให้ได้มันมต้องมีความรู้มีสติมีสติเร็วกอมีความรู้มากพอสติความรู้มทันเวลาที่มีการกระทบ การตึงใจคนกีดกันไปแต่ในทางที่มีปัญญามีวิ ช, ชามันก็ทำไมเกิดทุกข์แต่พิจารณ์นี้ก็เป็นทุกข์ความสุขหรือความทุกข์เดอถ้าทาผูกหรือทาผิดเกิเวกับขัดสนตามกฎอิทธาปฏิยตาที่มีอยู่เกิดกับขัดสนถ้าทาผิดวิธีก็เป็นทุกข์ทำผิดวิธีต่อเป็นทุกข์ก็คือสุขที่พรเศษไมเกี่ยวกับพิสังเสวนาพระเจ้าเรือ่องอหมดก็คือเร่อนี้เรื <c oughs> ่นี้เรา ง่าเป็นย่าพูดเป็นย่าเองถือว่าสุดทุกคนจากดีสังเดลดาชลตาแลทํกายเป็นต้นนั่นคือตาที่ไม่เป็นพูดเอาไากเลยคือ <c oughs> มันทำผิดหรือทำถูกพอพูดเขามีทับปัิจจาคือการ ต, ตุ้แตงการลำดับอย่างที่ว่ า, านั่นในขณะที่มีมีทางการก็ะตุกาหายสนน่นตาเห็นรูปูฟังเสียงเกี่มเพินกเลยได้ันย้นนนนจได้ความรู้สึกหายดีมา ที่พูดมาแล้วที่มันเกี่ยวกับที่พูดมาแล้วมีปัญหาอะไรมาถามไปเลยหมดจะเรื่องยังไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพี่เฉพเ่งที่พูดมปแล้วว่าทุกเกิดกอะไรควาทุกขเกิดยังไงอันหน้าคืออะไรเป็นที่แสดงควนว่มีปัญหาเพราะอ่าิสว่ า, า, า, ว า, วาตันเ่าตนอย่างไรแล้วป็นุกข์สุด้ <c oughs> าเรื่องราวนี้ชักเกจนจให้หมดไม่สนใจคำไหนหรือไม่สนใจเรื่องราคำไหนไมสไตามลองเข้ามาทำปาเขัากันไดหมดใช่ไหม คือกดไเป็นทุกหรือเป็นทุกหรือไม่ซุปไมทุกในความหมายสคัญมันหมายว่าเป็นอะไรก็เป็นดีว่าเป็นชั่วว่าเป็นบุญว่าเป็นบาปว่าเป็นนี้ว่าเป็นาว่าเป็นแพ้ว่าเป็นชนะก็เือวทนาแสังคือคิดคิดคิดที่ตามเหตุที่มันมันาดันคิดฉันได้เวทนาปที่พอใจสาคัญที่พอใจเป็นสิงุที่คิดไจะได้ไปจะมีาไปครองไปได้ทกทางค้สัมพันธ์กันทันห้ันนะเด่นได้ว่ามันมันเป็นัจถัยแก่กันเลยกัน มันจึงไม่อาจเกิดพรามันงหากกนแต่มันมีได้ทางหากกนในบุคคลที่ทำจังหวะมันไปติดเรืองลนเป็นไเลืนนั่ดีก็ามันถูกต้องมันเาสมาิที่ใช้ประโยชน์ได้กจงเลื่อนเื่อสมาธิที่ถูกต้องมาทามาฝึกจนที่เป็นมาธิ เป็นะีกเรื mm ่องนเเื so, coping, so, society, ่อสมาธิอย um. si ่างไรอีกเรื่องนึงนนใช้สมาธิใช้กาลังของสมาธิยทีเยวตัดความงตัดอวิชชาตัดอิเลตนาอันต้องมีทั้งแปดมัชียงแปดแปองค์แรกมีองค์สมาสมาธิเป็นองค์ท้ายเป็นองค์สัญที่สุดเจ็ดองค์นเป็นบวารขงสมาธิเมื่อทานเองค์มันแวนรอหม่สมาธิดีแล้วสมาสมาธิจะทหน้าที่ได้ยังที่สุดสัญยาสัญญาที่ตดไเลยได้ องมาทุกอง์าเอามาปฏิบัติเป็นตัวชีวิตติดใจอยู่ก็เป็นอัหวังว่าเันั้นนั้นเชื่อได้ว่าไอ้กระแสจิตมันจะพุงไปในทางูกใหุงปในทางจริงเกิดปัญหาคาขัแงเป็นทุกข์่ายถึงความเาเป็นศึกษาอย่างยิ่งใรูจักระ่เด่นทุกองทุกองทั้งแองค์แล้วทงานเป็นาสากรอนไปรวมกันทีสมาสมาธิไปรวมสมาธิเยอะๆนั้นมีนาที่างๆต่างๆต่างๆต่างัยรวมมือกันนะสมาธิและคุณว่าเป็นหลักกว้างคือสาหรับเป็นการดาเนินชีวิตตลอดประจวันตลอดชีวิต ก็ต้องแปดองค์แล้วมันก็จะเป็นชีวิตนี้ที่มีสติปัญญาไม่ทำผิดเมื่อปัสสะไม่ทำผิดเมื่อปัสสาวมืชีวิตมอะไรมากมีองค์กาแต่ันจะไม่ทําผิดป็นเกิดทุกข์ทิวทางคนทางทางรอดคนทางรอดคืออริยมรรคมีองค์แปดธรรมะแป่ข้อรวมกันเป็นหนึ่งทางคือเราจะต้องมีสมาธิปีความคิดความเห็นความเข้าใจใถูกต้องแล้วก็มีสมาธิสำงกับปะมีเจตนามีความหวางมีอะไรถูกต้องแล้มีวาจาสมาวาจาการพูดจาถูกต้อง็ำมันโตคำนั้นถูกต้องอารติวะดำรงชีวิตถูกต้อง แลวก็มีสมาวารเาโมภาพเป็น อ, อย่างถูกต้องสมาวสติสติเูกต้องเร่องความามาวามมายมามเจตนี่เป็นบริวารของสมาธิเนื่อสมาธิได้สิ่งเจตนี่เป็นบริวารแวเป็นสมาสมาธิที่ถึงที่สุดที่จะตัดกิเลสติจานที่ตั้งแห่งปัญญาที่ตัดกิเลสได้เป็นเป็นนิพพ า, านญาณเป็นธรรมท่จิตญาณเป็ น, นิพพ า, านญาณเอยู่โดยหลักแปประการนั้นจะมีชีวิตเป็นอย่างถูกต้องมีจิตสที่สามารถชนะกิเลตัณหาปัญหา เนี่ยผมทถูกทือไม่ถูกการทำง่ายที่เดี๋ยวมันดับทุกได้ถูกๆทำในคนดันสองการถูกๆใครคิดเาว่าถูกแต่คิดก้แต่ถ้ามันดับทุกไม่ได้มันก็ไม่ถูก